แต่ก็แบ่งเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยนะก็จะมองเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลก็เออย่างเงี้ก็จะมองเห็นมาดูหนึ่งนะทวนอินทรีย์ที่เป็นเหตุคือตาหูจมูกลิ้นอันนี้มันเป็นใหญ่มากใช่ไหมเป็นใหญ่ในการเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งอินทรีย์ที่เป็นผลคืออุเบกขานะส่วนกายเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งอินทรีย์ที่เป็นสุขเป็นทุกข ส่วนใจเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งอินทรีย์คือโสมนัสสินทรียโทมนัสสินทรียและอุเบกขินทีอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยน ะ, ะเวทนาเนี่ยมันเป็นผลหรืออินทรีย์ที่สเสวยเนื่องจากมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดอุเบกขาใช่ไหมอันนี้เป็นผลทวงเป็นเป็นอนิสงค์ของการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้รับสุขทุกข์และ กุเบขาโสมนัสโภมนัสเนี่ยนะผู้ใดเห็นโทษของอินทรีย์เหล่านี้แล้วต้องมาเจริญอินทรีย์เพื่อจะได้พน้นอินทรีย์พ้นสัตพินทรีย์ก่อนสัตตินทรีย์นี้เห็นที่ไหนเนะียโสตาปฏิยังฆะธรรมทียวิริยทรีย์เห็นที่ไหนสำ ม, มาปาทานทียสติินทรีย์เห็นที่ไหนสติปฐานทียปะสมาทรีย์เห็นที่ไหนฌานทียปัญญทรีย์เห็นที่ อริยศัสตร์สี่าะถ้าเจริญอินรีห้าเนี้ยจนบรรลุผลอันแรกก็คืออนัญญาตาอนัญญาตันยสามีตินรีคือโสดาปฏิมักเนี่ยถ้าถ้าแทงตลอดก็จะบรรลุโลกุตระธรรมถ้าบรรลุโลกุตระธรรมตามที่เคยบรรลุไปแล้วเรียกว่าอัินรีถ้าเป็นอินรีที่บรรลุเรียบร้อยเสร็จไม่ต้องเจริญอะไรอีกแล้วก็เป็น อัญญาตาวินซีเนี่ยนะจบกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรลุแล้วก็เป็นพระรหรันในหน้าสองรอยสี่สิบที่กล่าวว่าอินซีย์แม้ทั้งหมดเหล่านี้ชื่อว่าอินซีย์เพราะอัฏฐาว่าประกาศกรรมที่เป็นจอมหนึ่งนะสองเพราะอัฏฐาว่าท่านผู้เป็นจอมแสดงแล้วสามเพราะเพราะท่านผู้เป็นจอมเห็นแล้วสี่เพราะอัฏฐาว่าท่านผู้เป็นจอมจัดแจงแล้วห้า พระอัฏานว่าอันท่านผู้เป็นจอมเนี่ยเสพแล้วบัณฑิตพึงนําไปประกอบตามสมควรเรียกว่าให้อธิบายตามสมควรเหมือนคือการอาธิบายว่าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นจอมเพราะความเป็นผู้มีความยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นใหญ่จริงๆเลยเนี่ท่า น, น, นชื่อว่าอินทรีย์พระอัฏานว่า ท่านผู้เป็นจอมคือพระพุทธเจ้านี้แสดงแล้วนะก็ไม่มีใครแสดงเรื่องนี้นะนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าะเพราะผู้ที่สอนเรื่องนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลก็ชื่อว่าเป็นจอมเพราะไม่มีใครจะมีความยิ่งใหญ่เหนือกรรมเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอินทรีย์เรียกว่าประกาศกรรมที่เป็นจอมอ่นะ คือผลของกรรมเนี่ยมันให้ผลมาเป็นผลใหญ่ๆเลยนะตาเอ่อจากขู่ภาษาท่าหรือจากขุนรีเนี่ยเป็นผลของกรรมใช่ไหมโสตินรีคานินรียชิวหินรีกายินรีมณินศีอิทธินรีปุริสินรียชีวิตตินรีเนี่ยพวกนี้เป็นผลของกรรมนะกรรมที่กรรมที่เป็นจอมเนี่ยมันประกาศเป็นผลของกรรมว่าเออมันใหญ่จริงๆนะผลของกรรมเนี่ยถ้ากรรมไม่ให้ผลมีจากขู่ภาษาท่าสิ ถ้ากรรมไม่ให้ผลมีโสตประษาทธาคาณาภาษาธ า, า, า, ธาชิวหาภาษาธากายยะภาษาธาไม่ให้ผลเป็นอิทธินีปุริสินีนิยุ่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครยิ่งใหญ่เหนือกรรมกรรมมันแต่งได้อะ่ะของเราผ่าตัดให้มันเป็นหูที่ที่อื่นได้ไหมไม่ได้ไมีใครทำได้นะแต่งแผ่นฝ่ามือให้มันเป็นลิ้นได้ไหมเพราะฉะนั้นไปชิมอะไรต่อไปก็ไม่ต้องใช้ลิ้นนะเอามือแตะแตะเอาเนี่ยนะแต่งได้ไหม แต่งไม่ได้อีกมันแหละเพราะกรำกำพวกนี้มันเป็นตัวจัดแจงให้กรมเนี่ยมันสร้างสรรค์ให้อ่ะบอกแผลทั้งหกแผลเนี่ยนะตาหูตา ห, ตาหูจมูกเลนกายเนี่ยนะหลายส่วนเนี่ยกรนั่นเป็นตัวแต่งให้จัดแจงให้เพราะฉนนั้คําว่าอินทรีย์พระธรรมว่าประกาศกรรมที่เป็นจอมกรมที่เป็นจอมเนี่ยมันสร้างให้อ่ะอินทรีย์ที่กรรมให้เกิดย่อมประกาศให้รู้กุศลกรรมและอะกุศลกรรมให้รู้ผลบุญผลบาปใช่ไหม ใครตาไม่ดีหรือตาดีตาเอียงตาเขตาเหลตาอะไรทั้งหลายเห็นชัดเห็นไม่ชัดพวกนี้ก็กรรมนั่นแหละเป็นเป็นเครื่องจัดจองเนี่ย เ, เครื่องจัดแจงหรก็เหมือนกันไน้ยหรืออินทรีเหล่านั้นเนี่ยอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นจอมนั่นะจัดแจงแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าอินทรี เพราะอัฐ่าว่าประกาศกรรมที่เป็นจอมและเพราะอัฐ่าว่าอันท่านผู้เป็นจอมจัดแจงแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเอามาแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยให้รู้อะไรบ้างพระพุทธเจ้าแสดงอินทรีย์เหล่านี้ให้รู้อะไรให้รู้เหตุเกิดความดาบับอสาทะอาทีนวะนิสรณะนะผลอุบายนี่ยนะแล้วก็แนะนํานะเธอควรปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกันเพราะคำว่าอินทรีย์ก็คือกรรมอันท่านผู้เป็นจอมจัดแจงแล้วนี่ยนะ อันหนึ่งอินทรีย์แม้ทั้งหมดเหล่านั้นนั่นแล้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นจอมประกาศแล้วพระอง์เอามาประกาศเอามาแสดงใช่ไหมอย่างหนึ่งตรัสรู้ยิ่งแล้วพระองค์เนี้ยรู้รู้อย่างไงพระองค์เนี่ยรู้จักขุนสีเป็นต้นในฐานะปริญยญาธรรมนะจักขุนสีจนถึงโสมนัสสินสีเนี่ยนะอุเบกินสีเนี่ย อินทรีย์ที่ที่เป็นโลกิยะเนี่ยพระองค์เนี่ยทํำยังไงพระองค์รู้ยิ่งแล้วกําหนดรู้แล้วเนี่ยนะแล้วก็ตัดฉันราคาในอินทรีย์ทั้งหมดเหล่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นจเรียกว่าอินทรีย์เพราะท่านผู้เป็นจอมแสดงแล้วแล้วก็ท่านผู้เป็นจอมเห็นแล้วโดยเฉพาะอินทรีย์ที่เป็นเป็นโลกิยะเนี่ยพระผู้เป็นจอมนี่เห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วตามเป็นจริงเป็นจริงยังไงก็เห็นหมดโดยรอบ ผู้เป็นจอมเสพอินทรีย์บางอย่างด้วยการเสพโดยความเป็นอารมณ์คืออารมณ์ของปัญญานะเช่นอินทรีย์ที่เป็นเวทนาเนี่ยเป็นที่เป็นเป็นเป็นการพิจารณานะเป็นอินทรีย์เป็นที่ตั้งแห่งปัญญาพิจารณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระพระองค์ก็ยังไงเจริญใช่ไหมอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระพระองค์ก็เจริญแต่ถ้าว่าลำโดยลาดับเนี่ยพระองค์เจริญตั้งแต่ สัตทินรีเป็นต้นนะนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีสัตทินรีนะวิริยินรีสตินรีสมาทินรีปัญญินทรียเราทั้งหลายเวลาชมพระพุทธเจ้าก็พระมหาวีระใช่ไหมข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าก็ชมไปที่วิริยินรีเนี่ยนะหรือผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็คือชมไปที่อินรีทั้งห้าหรือผู้มีปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดก็ชมไปที่ ปัญญินีเนี่ยนะก็อินีห้าเนี่ยถ้าใครสรรเสริญพุทธกุลก็ยกอินีห้าแต่ละข้อก็ชื่นชมได้เลยเนี่ยนะก็โสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ประการก็มีหนึ่งคบสัตว์บุรุษสองฟังธรรมของสัตว์บรุษสามโยนิโมสมนัสการสี่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียกว่าโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสี่ เรียกว่าองค์คุณหรือข้อองค์คุณหรือองค์ที่เป็นข้อปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบันเรียกว่าโสตาปฏิยังค่าธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติแต่ถ้าปฏิบัติเป็นพระโสดาบันไปแล้วเรียกว่าบรรลุโสตาปัฏิยังค่าธรรมสี่ประการโสตาปัฏิยังค่าธรรมสี่ประการที่เป็นของพระอริยะก็คือมีความเลื่อมใสแม่นคงไม่หวั่นไหวหนึ่งในพระพุทธสองในพระธรรมสามในพระสงฆ์สี่ ศิขาดีเยี่ยมโดยเฉพาะศีลสิกขาไม่ทะลุไม่ขาดไม่ดง่งไม่พร้อยเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งอินทรีย์เหล่านี้ชื่อว่าอินทรีย์เพราะอธาว่าเป็นใหญ่กล่าวคือเป็นอธิบดีก็มีนะอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่จริงๆเนี่ยก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เป็นใหญ่ด้วยว่าความเป็นอธิบดีแห่งจักขครเป็นต้นสําเร็จได้ในประวัติการแห่งจักขครวิญญาณเป็นต้นเพราะเมื่อ อ, อินทรีย์แก่กล้าจักรครูวิญญาณเป็นต้นก็แก่กล้าเมื่อจกัก อินทรีย์อ่อนคือจากขุนสีอ่อนจากขูวิญญาณก็อ่อนไปด้วยเพราะฉะนั้นเห็นชัดหรือเห็นไม่ชัดอยู่ที่ตานะไม่ได้อยู่ที่จากขูวิญญาณถ้าตาดีเนี่ยนะตาดีจริงๆเนี่ยกลางวันกลางคืนก็มองเห็นแต่ถ้าตาแบบพระพุทธเจ้านะ เ, เจ้าชายเสด็จถาเนี่ยท่านมีตามองเห็นโดยรอบสิบหกกิโลเมตรไม่มีอะไรกำบังเลยเนี่ยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนด้วยนะ ภูเขาก็ปิดกำบังไม่ได้16กิโลเมตรเนี่ยเห็นโดยรอบหมดเลยมองเห็นเห็นมองลงไปในดินเนี่ย16กิโลเมตรมองไกลก็ทะลุอะไรไปหมด16กิโลเมตรอันนี้ตาเนื้อนะคุณภาพของตาเนื้อถ้ากล่าวถึงตาปัญญาด้วยก็ไม่มีจบมีสิ้นเลยนะยิ่งสัพพันอะไรนะสมัญตะจักขู่นี่ก็รอบไปหมดเลยแต่ว่าลำพังจักขู่ภาษาธะเนี่ยดูได้16กิโลเมตรโดยรอบหรือท่านเรียกว่าโยอดหนึ่งโดยรอบเนี่ยนะ ของเราเนี่ยจะดูดูไปทําอะไรนะถ้าเรามีลึกดูลึกได้ขนาดนั้นนะเอามาดูกคำมาดูนั่นเลยนะไว้เจริญกรมมรมสักตาเลยนะนั่นนะเป็ น, <c oughs> เ, ปนเป็นเครื่องมือไว้ทําบาปนะแต่ของท่านนี่ก็แต่ถ้าเห็นดีขนาดนั้นข้อดีก็คือเห็นนรกเห็นเทวดาด้วยสิ <c oughs> เห็น <c oughs> เปรตเห็นอะไร <c oughs> เป็นต้นเลยนะจากขุนศีท่านก็มองเห็นแล้วตาธรรมดาก็มองเห็นแล้วนี่ก็ ฮิริโอตา ป, ปะอาจจะมีมากเลยใช่ไหมแต่ไม่แน่นะถ้ากิเลสมันเสี่ยมสองนะั่นก็อย่างว่านะดังนั้ในโลกของอินทรีย์นะควรโดยเฉพาะอินทรีย์ที่เป็นเป็นอะไรเป็นปริญยยธรรมเนี่ยนะนะคืออินทรีย์ถ้าแบ่งเป็นเป็นอินทรีย์ที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะนะที่เป็นทุกข์สัตว์โดยเฉพาะอินทรีย์ห้าคือตาหูจมูกลิ้นเออินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจ อินทรีย์เหล่านั้นอ่ะบวกกับหญิงบวกกับชายก็เป็นอิทธินทรีและปุริสินทรีใช่ไหมชีวิตเนี่ยมาปกปักรักษาเมื่อมีอินทรีย์เหล่านี้แล้วเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกโสมนัสโทมณัสและอุเบขาเนี่ยนะนี่ผลของอินทรียเนี่บางคนก็บอกว่านี่เพราะเขาเป็นหญิงเนี่ยเขาจึงเนี่ยถ้าเขาเป็นชายนี่ยเขาบวชแล้วแบบนี้ก็ว่างั้นเชื่อเป็นชายแล้วไม่บวชหรอกนะบางคนว่างั้นนะพอเป็นเขาหญิงจริงไม่บวชหรอกพราะอินคือกพวก อิทธินีปุริสินสีเนี่ยนะมันเป็นใหญ่มากเลยนะในการกําหนดทิศทางของชีวิตใช่ไหมเหตุผลหลายๆเรื่องก็ hey Afric. อาศัยอิทธินีกับปุริสินสีเนี่ยมาเป็นข้ออ้างทั้งหลายอย่างตัวอินทรีย์ที่เป็นตัวรักษาก็คือชีวิตอินทรีย์ชีวิตของนะผู้ที่มีปุริสินสีกับอิทธินีก็มีสุขทุกข์ที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะเพราะว่าทุกบางอย่างก็รู้ได้เฉพาะหมู่ผู้หญิงเดียวกันเนี่ยนะผู้ชายเขาไม่รู้หรอกอย่างนั้น สุขทุกข์บางอย่างของผู้ชายก็จะบางเขารู้ในแวดวงผู้ชายผู้หญิงก็รู้ไม่ได้เพราะอินทรีย์เนี่ยมันเป็นตัวประกาศสุขทุกข์ของแต่ละฝ่ายไปนะถ้าใครได้ทั้งอิทธินทรีย์ปริสินทรีย์ด้วยกันนี่ยุ่งมากแต่ไม่มีนะก็มีแต่อาจจะเวลาเดียวกันนี่ไม่มีแต่ว่าทุกๆุกสิบห้าวันนี่มีนะทุกๆุกสิบห้าวันหรือทุกเดือนอะไรอาจาจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ว่าถ้าเกลียดอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยนะชั้นแรกก่อนถ้าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยนะ พรองบอกว่าให้สังวรอินทรีย์6ก่อนใช่ไหมสังวรจากขุนรีไม่ให้เป็นทวารแห่งอภิชากับโธมนัสสังวรโสตินศีไม่ให้เป็นทวารแห่งอภิชากโรโธมนัสสังวรคานินทรีย์ชิวหินรีกายินรียมนินศีเนี่ยไม่ให้เป็นที่ตั้งแห่งอภิชาและโธมนัสโดยไม่เข้าไปถือนิมิตและอนุพยัญชนะเพราะว่าการถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะเป็นที่ตั้งแห่งอภิชากับโธมนัส ทีนี้ส่วนอินทรีย์ที่เป็นศรัทธาเป็นต้นเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะที่ที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะท่านอินทรีย์เนี่ยมองเห็นทั้งที่เป็นในตัวอินทรีย์ยี่สิบสองเองเนี่ยเห็นทั้งปริญญาธรรมนะเห็นทั้งภาเวตปธรรมเห็นทั้งสัจชิกาตาปธรรมสามัญจะผลสีนี่เป็นสัจชิกาตาปธรรมนะโสดาปฏิผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลเนี่ยเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้ง ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโซดาปฏิมัติสก atha kamimak a า a k ม m i ร a k arahatamak พวกนี้ก็เป็นภาเวตาประธรรมเป็นธรรมที่ควรเจริญน่าจะแปลบอกเป็นธรรมที่ต้องเจริญแปลว่าควรนี่ยแบบภาษาไทยมันอะไรเนะยภาษาไทยฟังไม่ดีก็เลยปลายเป็นว่าออควรเน่ยนะแต่ว่าไม่ทําก็ไม่เห็นเสียหายเนี่ยนะแต่จริงก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมที่ต้องเจริญอย่างนั้น จริงวันนี้ยังไม่ได้สาธยาเลยนะเนี่นนเดี๋ยวกาลังดูว่าจะสาธยาตรงไหนดีเออปัญหาจะถามนิดหนึ่งนะครับตอนรอบที่สี่นะครับรอบที่สี่เนี่ยจะมีทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกแล้วก็ความดับเหตุให้เกิดทุกแล้วก็ความดับชันทราคะในทุกข์อันนี้แสดงนิโรธหมดเลยนะครับไม่ได้แสดง นี่โรต์ปฏิปทาไม่ไม่ได้แสดงก็อริยสัจสามแต่ว่าก็เป็ น, เ ป, นเป็นอันก็กกนสแสดงแาระก็แล้ว ก, กันครับจะสแสดงนิโรธสามบทเลยเจนทอนคือเพราะว่าสาระของการเจริญมรรคก็อยู่ที่การเข้าไปดับเนี่ยนะเข้าไปดับสมุทยัยเข้าไปดับฉันธราคะเป็นต้นนะนะเพราะว่าสาระของมรรคอยู่ตรงนั้นครับ เพราะว่าในแต่ละวรระเนี่ยนะเหตุผลโดยเฉพาะการเข้าไปไปดับเป็นต้นเนี่ยคือตัวที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าการเจริญอริยมรรคทั้งหลายวัตถุประสงค์ก็คือทํายังไงที่จะดับฉันทาราคะในกองทุกขเพราะว่าความเพลิดเพลินในกองทุกเนี่ยเป็นเหตุแห่งวัตถุทุกอยู่แล้วซึ่งวาระอื่นๆก็ชี้มักอยู่ตลอดเวลาซึ่งชี้บ่อยอยู่แล้วครับฝ่ายปณิธานา อันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะครับ